ทาั้งทั่ังคันั่นก็คือพระไม้ชาคาวโรนะคะแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบค่ะที่วัดนาป่าพงจะมีการทอดกระถินกันในวันที่สิบหกตุลาคมที่จะถึงนี้ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะมีท่านฟังบางท่านนะคะก็บอกว่าอยากไปแต่ไปไม่ได้ขอทราบว่าจะร่วมทาบุญได้อย่างไรเน้นก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะว่าก็คงบอกได้แต่เพียงที่จะให้ท่านได้ใช้บัญชีที่มีการเปิดขึ้นมา ไว้ถามหลังใหม่ดีไหมคะเดี๋ยวเรื่องจะฝากไว้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วกันท่านโทรมาที่022690006เช่นเดียวกับที่ทางวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะที่พระอาจารย์ไปบุญอภิปุนโนแล้วก็หลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดอยู่ที่นั่นเนย น, นะคะก็จะมีการทอดกระถิ่นในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันที่23วันเปียมหาราชนะคะ23ตุลาคมค่ะ เี๋จะฝากไว้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะท่านก็จะได้เจริญศรัทธาที่ท่านมีกันอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะได้พบกับพระนอาจารย์เทยุบุลแล้วนะคะน้อมสักการค่ะอาจริญพรค่ะช่วงนี้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวัตจนะวันนี้ดิฉันต้องกลับเรียนท่านผู้ฟังนะคะเพราะดีใจมากไม่ได้พบกับหลวงพ่อสะอาดหรือว่าหลวงพ่อดออรสะอาดมาหลายครั้งแล้วทราบว่าวันนี้ท่านมาเป็นกําลังใจใท่านเทยุบุลเช่นเคยใช่ไหมคะใช่ใช่ ค <c oughs> วันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องประวัติเรายัางอยู่ในหัวข้ออความเป็นพระพุทธเจ้านแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการที่มีผู้อื่นเข้าใจผิดพระองค์ <c oughs> อมีพราหมณ์รูปหนึ่งที่มากล่าวหาพระพุทธเจ้าคือพราหม์รูปเนี้ยชื่อว่าอคิเวสนะคือพราหมเล็บยาวค่ะ <c oughs> เราก็เป็น ลุงมั้งลุงหรืออาของลุงลุงของพระสารีบุตรนะแล้วก็เลยมาโต้วาทะกับพระเจ้า <Okay. S 1> นะพระพเจ้ า, าก็เลยแสดงธรรมให้เข้าใจว่ า, าคือพระรามวงนี้ก็มีวาทากอย่างนี้บอกว่ า, อ, าอะไรไอะไรก็ไม่พอใจเราไม่พอใจอะไรทั้อย่างหนึ่งอย่างนี้นะใครๆว่าไงเราก็ไม่พอใจอย่างนี้พระพเจ้ า, าก็เลยตอบว่าถ้างั้นความคิดนี้ของท่านเนี่ยท่านก็ไม่พอใจด้วยละสิ <Okay. S 1> นะในลักษณะนี้นะ ทําให้พราหมรูปนี้เขาเปลี่ยนความเห็นไปได้แล้ในการแสดงธรรมครั้งนั้นเนี่ยซึ่งพระสารีบุตรก็ฟังอยู่ด้วยนะครับการสนทนาในครั้งนั้นเนี่ยทาให้พระสารีบุตรได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยแล้วก็มีหลายครั้งมากๆเลยคุณโยมติวที่ไม่ว่าจะเป็นชนชาติกษัตริย์ชนชาติพราหมณนะ์หรือเป็นกระับบัณฑีใครเนี่ยเขาแต่งคําถามมาอย่างดีนะจะมาไล่ต้อนพระพุทธเจ้าให้จนเนี่ย พระเจ้าก็ตอบอย่างนี้แสดงทําให้ฟังให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นเขาขอบวชมีหลายครั้งมากอืแก็เลยเื่อมใสเป็นที่ว่านั้นเถอะค่ะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์เนี่ยเคยพูดกับภาษาลิบุตรเอาไว้ว่าพระองค์เนี่ยนะเข้าไปสู่บริษัทไหนเนี่ยก็ไม่ครั่งครั่มนะไม่ว่าจะเป็นเทวดากษัตริย์พราหมณ์าระดับารพวกหมู่พระด้วยกันจะมีแต่ความกล้าหาญนะเพราะว่าประกอบด้วยทำสี่อย่าง ที่เราได้เคยพูดไปแล้วคือเวสารัชยานสี่นะคือธรรมะที่ทำให้เกิดความกล้าเนี่ยนะสอย่างซึ่งก็คือเวลาเวลาแสดงธรรมเนี่ยก็มีความมั่นใจในในธรรมะที่พระองค์รู้เพราะว่าเป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดนี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือพระองค์เนี่ยเข้าไปสู่บริษัทไหนเนี่ยนะก็เรียกว่าได้อย่างสนิทสนมนะในบริษัทนั้ น, น, น หมายความว่าก็รู้เรื่องราวของเขาเนื่องจากว่ามีเป็นคนรู้ความแก่อ่อนของอินทรีแต่ละคนใช่ไหมคนไหนจะสามารถสอนได้คนไหนสอนไม่ได้นะก็จึงทำให้วางตัวได้ถูกต้องค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่มีพวกปริภาชกษนะ์ลัที่อื่นเนี่ยเขามาขอบวชเพื่อที่จะเรียนธรรมะนะเราก็จะเอาไปสอนในหมู่พวกตัวกันเอง นะพอเรียนได้ยังไม่ถึงที่เท่าไหร่นะก็ลาสิขาออกไปใช่ไหมแล้วก็ไปเที่ยวประกาศบอกว่าเนี่ยฉันรู้ธรรมะอย่างแท้จริงนะอะไรต่างพระเจ้าก็เลยเข้าไปสอบถามนะชี้แจงให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรในะต้จรมาอา้าวท่านพูดอะไรนะชี้แจงให้ฟังแต่ว่าอาพระองค์นั้นที่ศึกออกไปนะปริภาชกรูปนั้นเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็นิ่งนะตอบไม่ได้ก็เขินพนะระเจ้าก็เลยแสดงธรรมในที่นั้นได้มีความกล้าหาญมากนะเธอ แล้วก็ธรรมะของที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่มีใครสามารถข่มขี่ได้เป็นธรรมที่ไม่มัวหมองนะไม่สามารถถูกขัดค้านได้เพราะว่าเป็นอริสัท4ี่อ่ะนะมีลักษณะอย่างเช่นพระธาตุาทั้ง6กอย่างเงี้ยธาตุทั้ง4ีดด่ธาตุดินน้ำไฟลมอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมรหรือว่าความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนอะไรอยู่ชาติไหนก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเนาะ Hmm. แล้วก็ยังยืนยันว่าในคําสอนเนี่ย เ, เป็นคําสอนคือการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะที่ให้ได้มรรคผลเนี่ยนะคุณยมติว๋ว <Okay. S 2> มีอยู่เฉพาะในคําสอนที่พระองค์สอนนะคือมีอยู่ในอริยมรรคมีองค์แ น, นะถ้ า, าคําสอนไหนลนักษณะคําสอนไหนมีอริยมรรคมีองค์น8เนี่ยนะก็จะ <Okay. S 2> มีอริยบุคคลอยู่ก็จะมีการทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานได้ค่ะ <Okay. S 2> อีกประการหนึ่งในเรื่องของ ลักษณะของคำสอนนี่ก็คือว่าเป็นคำสอนที่ เ, เหมือนกับเต็มไปด้วยสิ่งมีค่ามากมายนะเปรียบเทียบเหมือนกับทะเลอย่างเงี้ยมีทั้งแก้วมีทั้งมณีมีทั้งเพชรนินจินดาอยู่ในทะเลมากนะทรัพย์สมบัติที่อยู่ในทะเลที่เรายังคนไม่เจอก็มีเยอนะแยะเหมือนกันในคำสอนพระเจ้าเนี่ยมีโ้ยมีทั้งโพชโพชงเจรียมมโยง8อริทิบาทส อินทรี5พละ5อะไรต่างๆมีเยอะแยะไปหมดนะ่ซึ่งถ้าเรามาศึกษาค้นคว้าเนี่ยโอ้จะได้ความรู้มากจะได้มีประโยชน์มากเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะไม่ใช่หลอกลวงเพื่อคนให้คนมานับถือหรือว่าไม่ใช่เรียกคนมาให้เป็นบริวารแล้วก็ไม่ใช่เพื่ออันิสงส์งเป็นลาบสักการะและเสียงสรรเสริญ แล้ก็ไม่ใช่เพื่ออา น, นิสงฆ์จะได้เป็นเจ้ารที่อื่นหรือว่าเพื่อคัดค้านลัติอื่นให้ล่มไปนะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเนี่ยเข้าใจว่าได้เป็นเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่ปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อสํารวมเพื่อล ะ, เ พ, อละเพื่อคลายกำเนัดเพื่อดับทุกข์สนิทตรงพุทธวจนะตรงนี้ธรรมาก็มาสงสัยว่าอา้าวแล้วตอนที่พระเจ้าทรงตรัสพุทธวจนะบทนี้อยู่เนี่ยยังดับทุกข์ไม่สนิทหรอใช่ไหม ก็เลยได้คําตอบนะจากการที่เรามาใคร์กรวนดูก็พบว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี่ยังเหลือกายก้อนนี้อยู่ในขณะที่ตรัดพุทธวจนะบทนั้นคือกายเนี่ยขันธ์มารไงขันนี่มนันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งซึ่งถ้าเรายังละมันไม่ได้หมายความว่ายังยังมีขันธ์นี้อยู่มันก็ยังจะนําความทุกข์กวนใจมาให้อะนะเป็นอยู่ยังไม่สนิทว่างั้นแต่ดับทุกข์แล้วแต่ยังไม่สนิทเต็มที่นะลักษณะ น, นี้นี่คือเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้ ต่อมาก็มาเป็นเรื่องของอริสสีอยู่ในความดับไม่เหลือของทุกนะพทธเจ้าพูดถึงความที่การปฏิบัติของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนเกิดแบบไหนจะเป็นชนชาติกษัตริย์ปรามกระดับดีชนจันทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้านำมาฝึกแล้วนะทำแล้วเนี่ย ก็จะทำให้เป็นคนดีได้เหมือนกันหมดนะรับพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียมกับม้าที่เอามาฝึกนะไม่ว่าจะเป็นม้าประเภทไหนถ้าในาผู้ฝึกม้าหรือผู้ฝึกช้างเนี่ยช้างหรือม้าก็แล้วแต่เนี่ยเอามาฝึกอย่างดีแล้วนะก็เป็นสัตว์ที่ถูกฝึกแล้วเหมือนกันหรือเปรียบเหมือนกับไม้นะไม่ว่าจะเอาไม้มะม่วงไม้มะเดือ่อหรือว่าไม้ อื่นๆเนี่ยมาเผาไฟไฟก็ติดเหมือนกันนะเป็น<ช>ไฟใช้งานได้เหมือนกันนก็เหมือนกันว่าถ้าถึงทำถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกได้แล้วคือเป็นบ้ า, ารานแล้วนะไม่ว่าคุณจะเป็นเป็นลูกเจ้าหลานเธอหรือว่าเป็นชาวบ้านร้านตลาดหรือเป็นลูกเศรษฐีหรือเป็นลูกชาวนาเหมือนกันเสมอกันที่บิมุดเสมอกันที่ความดับไม่เหลือของทุกตรงนี้ เพราะว่าถึงแม้ความตัวเป็นตัวตนว่าฉันเป็นกษัตรินะฉันเป็นเชื้อเจ้านะฉันเป็นพ่อค้านะฉันเป็นลูกชาวนานะในนั้นก็ยังลงไม่ได้นึกนออกไหม <c oughs> ว่าเป็นที่ที่ความเห็นเหล่านี้ก็ยังลงไม่ได้แล้วก็ยังบอกว่าความดับไม่เหลือของทุก์เนี่ยคือความดับของตัณหาเนี่ยมันมันได้สําหรับคนทุกวันนะแม้ว่าคุณจะเป็นคนจนคนรวย เนะชื้อชาติไหนทำอะไรมานะถ้าปฏิบัติตามรียบมักมีองคปดเนี่ยก็สามารถถอนลูกศรได้เหมือนกันเนาะถอนลูกศอคื อ, hmm. ค, อคือตันหาแล้วก็แก้พิษที่เป็นอวิชาได้อันนี้คือจบเรื่องของอความดับแห่งตันหาที่ทำเป็นลักษณะของดับให้ดับแห่งตันหาทีนี้ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องผู้ที่ดับตันหาได้เป็นยังไง <c oughs> ผู้ที่ดับตันหาได้เป็นยังไง ก็ต้องพูดถึงบุคคลธรรมดาก่อนคนหนาหนาไม่เคยฟังธรรมเป็นปุถุชนนะไม่รู้เรื่องธรรมะเลยเนี่ยนะแต่พอมาได้ยินได้ฟังธรรมนะเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟเป็นยังไงเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ออได้สลับฟังธรรมขึ้นมาได้นนะก็คือคนที่จะมารู้ธรรมะคุณโยมติว๋วก็เป็นคนอย่างเร า, เร า, เราท่านๆนั่นแหละนะนะที่มาสนใจฟังธรรมะได้ นะเราก็ฟังธรรมะเราก็จะค่อยลึกๆลึกซึก้งขึ้นไปนะรหรือแม้พูดถึงคนที่รู้รอบเรื่องดินน้ำไฟลมนะไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงแม้จะยังเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยแต่ก็มีความโน้มเอียงนะไปสู่การบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ได้อีกประการหนึ่งในเรื่องของผู้ที่ดับตัณหาแล้ว พนะระพุทธเจ้าเคยใช้คําว่าเสขะกับอาเสขะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินพระเสขะเนี่ยคือเป็นอริยบุคคลละนะตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปนะคือต้องพูดทาความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะผู้ที่ดับตัณหาได้เป็นขั้นๆเนี่ยนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะอย่างแรกคือปุถุชนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปุถุชนนะ<ม>ถัดขึ้นมานะรู้เรื่องอะไรบ้างมีความเห็นถูกต้องแต่ว่ายังละได้ไม่หมดอันนี้คือพระเสขะ จะใช้คำว่าผู้เสกขาดนะเสขาแปลว่ายัางต้องศึกษาอยู่อันดับสุดท้ายก็คืออดเสขะคือไม่ต้องศึกษาแล้วจบแล้วนะคือเป็นพระอรหันต์ละสูงสุดสุดยอดละนะอันนี้ก็จะเป็นะระดับที่สูงสุดมี3ามระดับแตนะ่ถ้าพูดกันคร่าวๆนะ ซ, ซ, ซึ่งต่อไปจะพูดในรายละเอียดว่าแต่ละระดับเนี่ยเป็นยังไงอย่างงี้นะคือพระเสขาดเนี่ยจะเป็นผู้ที่กําลังเข้าถึงทําให้รู้จักนิพพานได้ นะปุตตุชนคือยังไม่รู้จักเลยยังหนาอยู่นะเสขานี่คือเริ่มละเริ่มละเริ่มรู้จักละนะแล้วก็อเ่เสขะนี่คือชัดแจ้งละเป็นบัตอาหารหลักลักษณะ น, นี้ค่ะนะคะก็จะได้มากราบเรียนถามท่านถึงเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ระยะนี้เราพูดติดตดกันหลายวันเนื่องจากว่าสื่ออื่นเขาก็สนใจนะคะเพราะประชาชนสนใจวันนี้ที่จะกราบเรียนถามท่านก็คงจะต้องถามว่าพระสงฆ์เองเนี่ยมีทุ่ยอยู่ ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์เนี่ยนะคะกว้างขวางได้แค่ไหนตามกรอบของพระวินัยเพราะว่ามีข่าวเป็นคลิปอีกเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็อ่านมาจากสื่อแห่งหนึง่งดูมจากสื่อแห่งหนึง่งเขาแนะนําให้ชมว่ามีคนสงค่งเข้ามาเป็นพระคนแต่งตัวแบบพระนะคะแล้วยอยู่ตึกแถวท่า น, นะคะบอกอยู่มานานแล้วค่ะเออพระต่างประเทศเขาอยู่ตึกแถวกันนะะ แล้วรกๆอย่างพระที่พระสาขาของวัดหนองประพงษ์ที่ไปอยู่อิตาลีตอนแรกเนี่ยท่านก็ไปก็มีญาติโยมเขาถวายตึกแถวให้ที่หนึ่งนะให้อยู่อยู่ไปอยู่ไปสาปีห้ปีก็เริ่มขยับขยายมาเป็นบ้านเดี่ยวได้มีเนอะอย่างที่อังกฤษเขาก็อยู่บ้านเดียวกันต่อมาแล้วอย่างหลวงพ่อวิริยังก็เคยอยู่บ้านเดี่ยวแล้วก็ไปขยายเป็นไปซื้อโบทเก่าเขาที่โบดเขาล้างแล้วอย่างนั้นนะไปซื้อโบทเก่าก็ทําเป็นวัดก็ได้ ซึ่งความเป็นวัดหรือไม่ใช่วัดเนี่ยนะ <Okay. S 1> มันอยู่ที่สงเนี่ยในที่นั้นเนี่ยตกลงกัน <Okay. S 1> สมมติว่ามีพระจำนวนหนึ่งสักสาสี่องค์หรือกี่องค์ก็แล้วแต่แเราจะมากำหนดกันว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่เป็นวัดละ่ะคะซื่ความเป็นวัดเนี่ยมันอยู่ที่พระสงฆ์เนี่ยกำหนดขึ้นสมมุติขึ้นนะั้นมันไม่ได้จำเป็นว่าโครงสร้างต้องเป็นยังไงเป็นต้นไม้ก็ได้นะเป็นริมลาธารก็ได้นะเป็นเพิงหญ้าก็ได้ เป็นล้อมฟางก็ได้เป็นที่ว่างๆก็ได้มีต้นไม้ไม่มีต้นไม้ก็ได้อย่างสมมติเมืองไทยถ้าป่าหมดอย่างเงี้ยก็วัดตาไม่มีใช่ไหมก็เป็นเป็นวัดทะเลทรายก็ได้เอา้าอย่างเงี้ยน ะ, <Okay. S 1> ะคือความเป็นวัดเนี่ยมันอยู่ที่คนที่ไปอยู่อยู่ที่เราตกลงกันนะซึ่งที่พระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องการกําหนดสีมาเนะี่ยเขตของวัดแะไต่างๆเนี่ยนะซึ่งสมัยนี้เราเอาอเป็นเป็นสีมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับอะไรแหลมๆเป็นหลักเขตนะนะ ไป <c oughs> ตั้งไว้อันนี้ก็ได้หรือว่าผู้บัญชาบอกใช้จอมปลวกก็ได้ใช้แนวลำทานก็ได้ใช้แนวป่าก็ได้ก็กำหนดได้หมดเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งจะกำหนดตึกแถวขึ้นมาก็สามารถทำได้คิดว่าไม่มีมนะั <c oughs> แต่ในที่นี้เนี่ยเขาฉายภาพให้ดูประกอบคำบรรยายว่ า, าลักษณะแปลกแปลกจะลับๆับล่อลอกลับมาถึงก็มองซ้ายมองขวารูปประตูเหล็กแล้วก็ พากายเข้าไปปุ๊บแล้วก็หันซ้ายหันขวารีบปิดประตูเหล็กแล้วก็จะมีะโยมผู้หญิงแต่อายุมากแล้ว uh huh. ผมขาวนะค ะ, uh huh. ะมาลับรับล่อๆอยู่หน้าประตู uh huh. ทั้งเรียกหาคนข้างใน เขาไม่มาเปิดให้เดินผ่านไปแล้วก็ทั้งที่เข้าไปก็มีอะไรเงี้ยก็ดูภาพอะค่ะก็เลยเข้าใจว่าลักษณะอย่างเนี้ยนอกเหนือจากที่พระจะมากำหนดกันเองว่าที่ใดจะเป็นวัดแล้วไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบมันมีความอะค่ะที่มันเป็นนานมธรรมความอะไรที่จะหมายความว่าอันนั้นเป็นพระสงฆ์เพราะคนแถวนั้นเขาไม่สบายใจอท่งนบอกเห็นมานานแล้วอยู่ในกลุงเท่นเองแถวลาดพร้าวค่ะก็ถ้าจะวัดนี่ก็ ก็อยู่ที่ผู้อยู่อ่ะนะอยู่ที่ผู้อยู่ก็ถ้าผู้อยู่ท่านแต่ละท่านเป็นผู้มีศีลปฏิบัติตามศีลได้อย่างดีก็ควรจะจะช่วยกันสนับสนุนด้วยซ้ําแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในศีลเราก็แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละท่านอย่างเงี้ยน ะ, ะทําตามระบบที่พระเจ้าอนุญาตเอาไว้ค ถ, นะถ้าเป็นพระสงฆ์ไม่อยู่ที่ศีลใช่เป็นสําคัญใช่แล้วก็เรื่องเสนาสนะนี่พรพุทธเจ้าก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้ ลงรายละเอียดมากขนาดนั้นก็แค่ตกลงกันแล้วก็จบละเปลี่ยนปฏิบาาัติการจิตเวลาก็เหลือน้อยนะคะแต่ดิฉันยกกังกราบเรียนอยากกราบเรียนถามอีกนิดนึงเผื่อท่านทั้งหลายที่บอกว่าเออเราก็ไม่เคยรู้เรื่องสีมรณะฮะาาดูคร่าวๆจะมีอะไรให้สังเกตบ้างที่เป็นห่วงพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายเหล่าเนี้นะคะไม่มีเหตุผลอื่นหรอกคะ่ะ ม, มีอะไรให้สังเกตบ้างเหรอก็ถ้าจะสังเกตได้ทางตาทางหูเนี่ยสีเนี่ยสังเกตได้ ว่าท่านมีความสำรวมอินทรีย์ไหมมีข้อปฏิบัติอย่างไรใครมามาหาสู่บ้างมีการกบฉันยังไง น, นี้สังเกตได้นะ<ม> ค, ค่อยๆดูไปต้องใช้เวลาบ้างแหละค่ะสำรวมอินทรีย์แปลว่าสำรวมอินทรีย์ก็คือว่ามีตาหูจมูกลิ้นไกยใจเนี่ยสำรวมนะไม่ทำะระมัดระวังะระมัดระวังเป็นผู้สำรวมอินทรีย์สงบส ง, ง่ยมเรียบร้อย <c oughs> นะมีผิวพนธ์งามอย่างนี้ก็ดูได้ในภายนอกคร่าวๆนะคร่าวๆแต่สรุปแล้วนี่ก็เป็นความรู้อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของที่อยู่ของพระสงฆ์ <c oughs> ที่เราถือโอกาสนำมาเสริมจากการที่จะพูดถึงเรื่องปรากฏการที่เกิดขึ้นแล้ววิพากวิจาร์กันไปแบบ ชาวบ้านร้านประหลาดธรรมดานะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการสัมมนาสนท น, นาที่ได้กราบเรียนถามพระจันทร์ไผบุญอภิปุลโนช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนะคะนิมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วก็กราบนิมัสการหลวงพ่อดออรสะอาดด้วยนะคะที่ได้เมตตามานั่งฟังอในรายการได้อาารย์นทั้งสองรูปนะคะก็เป็นพระสงฆ์จากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดอนานี หลวงพ่อดอกเตอร์นั้นเป็นท่านเจ้าวาดนะคะที่นั่นก็จะมีการทอดกระถินกันในวันที่23ามตุลาคมนี้ใครศรัทธาโอ้โหวันยุดพอดีเลยจะเดินทางไปอันนั้นก็สุดแท้ส่วนที่ต้องการที่จะร่วมทำบุญแล้วก็อยากทราบว่าทำอย่างไรติดต่อมาที่ 02.269.0006 นะคะที่ฉันจะฝากเบอ่อเอาไว้กับทางสถานีวิทยุค่ะที่นี่ท่านขอนังสือพุทธวจนะเพื่อศึกษาสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นพระสูตร สำหรับหนังสือน ะ, นะคะก็จะเป็นอพินันธนาการจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพหลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบให้กับพวกเราเวลาสามท่านด้วยกันนะคะติดต่อที่2 0 2 2 9 0 0 0งสําหสำหรับวันนี้พุทธวสตวรีคะ่ะ